ตอนที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายพากันมาประชุมกันหลังจากที่กลับมาจากที่อยู่คบปรีวันแล้วตามพากันมาล้ำพังว่าเหตุดใดปริวัตรจึงต้องอยู่ในท่อมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็เป็นเพราะกรรมอะไรปริวัจรจึงต้องตกนรกพระโทษพระศิวลี เอ็ดใดพระสีว ล, ลีจึงต้องก่อนที่จะคลอดอยู่ในท่อมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก็ต้องลง น, นรกหลังจากนั้นก็เป็นมีผู้มีลาภมากมียศใหญ่หลังจากบรรดาพิสุทั้งหลายได้ปากันโดยชมหาเรือกันขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมาศาสตร์สันดาส ม, มาสัพุตเจา้า ได้เสด็จมาแล้วถามบรรดาวิสุทั้งหลายว่าเธอพูดปรึกษาหารกันเรื่องอะไรบรรดาวิสุทธ้งหลายก ร, ราบคูนองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาก์สันดาตามที่กล่าวมาแล้วหลังจากนั้นอง์สมเด็จพระบทิตรแก้วจึงได้นําอุปรกรณร์ของพระศรีม ล, ลีมาบอกกับมันดาวิสุทธังหลาย เรื่องจะได้เริ่มขึ้นในคืนวันนี้ความตามทราบาลีมีอยู่ว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ทัานบรมศาสดาได้ทรงมีพระพุทธิีกาตรัสว่าพิกเวดูก่อนผิ้ศึกษทั้งหลายในกลับที่เก้าสิเอ็ดกับนับถอยหลังไปจากนี้ก็ผู้มีพระภาคทรงพระ น, นามว่าพระวิปัสสี ทรงบัิขึ้นในโลกแล้วสมัยหนึ่งสเสด็จจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครของพระราชวิดาความจริงสมเด็จพระวิปัสสีท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันประราชาวทรงเตรียมอาคันธุกทานอาคันธุกทานก็หมายความว่าทานแก่พระผู้มา ระวราะแขกผู้ ม, มาอาคัรทุกกะนี่ประวัติแขกผู้ ม, มานิพพานท่านมาจากที่ไกลไม่ได้ไประจําอยู่เฉพาะที่ว่าเป็นอาคัรธุกกะทานนางประวัติการให้คือหมายความว่าตั้งใจจะถวายทานแก่พระอาคารธุกกะทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเดี๋ยวก่อนย้อนหลังนิพรานชาวทรงเตรียมอาคัรทุกกตานเพื่อบรรดาเบื้องส่งทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก แล้วก็ส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าชนทั้งหลายโจมมาเป็นสหายในทายของเรามีหมายความว่าพราะองค์ให้ส่งข่าวให้ชาว บ, บ้านมาร่วมกันบรรพินทานบรรดาชนทั้งหลายเหล่านั้นทําอย่างนั้นแล้วคือว่าคิดว่าเราก็จะต้องถวายทานแด่บรรดาพระสงค์ทั้งหลายมีรพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเหมือนกันแต่ได้ ว, ว่า พันชาวบ้านเขาพิจารอย่างหนึ่งว่าพวกเราจะถวายทานนี้ให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วนี่เขาเรียกว่าแข่งกันดีแต่ว่าอดดีไม่ใช่อดเลวเมื่อพระราชาถวายทานแบบไหนเราจะทําไม่แพ้พระราชาอย่างนี้เขาเรียกว่าอดดีควรอดจึงมีมนสมเด็จพ ร, ร, ระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้น แล้วก็แต่งทานถวายแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาทรงสนดตเสด็จมาทอดสเนตไทยของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วดมรีว่าเราจะถวายทานเขาเราให้ยิ่งกว่าท่านดีกว่าประเสริฐกว่าที่บรรดาประชาชนถวายแล้ว เมื่อวันรุ่งขึ้นยังมีวันสมเด็จพระบัณฑิแก้วพร้อมไปได้วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายราชาไม่ทรงสามารถให้ชาวเมืองแพ้ได้เป็นอันว่าต่างคนต่างถวายแข่งกันพระราชาถวายแบบนี้ได้ชาวเมืองกอดถวายได้ทําให้ดีกว่าพระราชาราชาก็ทําให้ยิ่งไปกว่าชาวเมืองชาวเมืองก็ทําให้ยิ่งไปกว่าพระราชา ว่ากันอย่ามีเป็นลําดับแต่ต้องกล่าวว่าทิ้งชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้ปบาราชาท่านแพ้ได้ต่างคนต่างไม่มีใครแพ้ใครวันนี้เราถวายเพียงนี้วันรุ่งขึ้นเขาถวายยิ่งไปกว่าวันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาถวายยิ่งกว่าไปกว่านั้นดังนั้นในครั้งที่หกชาวเมืองจงมาคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุ่งนี้ อย่าทำเรื่องของทานที่เราทำทั้งหมดโดยที่ใครใก็ไม่อาจจะพูดใดว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของเรานี่เป็นอันว่าการแข่งกันให้ทานยิ่งเปรศเรท่าไรมากเท่าไรคือการไม่แพ้กันขึ้นมาแล้วชาวเมืองคิดใหม่ว่าขึ้นชี้ว่าทานทั้งหมดเนี่ยที่เราจะไหวใน ว, วันพนุธวันพฤหัสไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่มีใครมติได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมันไม่มีในที่นั้นจะต้องมีทุกอย่างเมื่อต่างคนต่างคิดแล้ววันรุ่งขึ้นยังได้จัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจ ด, ดูว่ามีอะไรหนอแรที่ยังไม่มีอยู่ในที่นี้อีกมองไปมองมาก็มองไม่เห็นน้ําพึ่งน้ําพึ่งดิบที่ยังมีก็จะน้ําพึ่งสุก น้ำพึ่งดิบนี่ไม่มีส่วนน้ำผึ้งสุกมีมากมันได้ชนละหลายเหล่านั้นจึงใช้ให้คนสี่พวกนําำซั์ไปเพาะดืนหนึ่งพันก็หาวันหน้าคือพันตำลึงไปยืนอยู่ที่ประตูพระนครสี่ประตูเพราะประตูเมืองมันมีสี่ประตูเพื่อต้องการไม้น้เพึ่งดิบหมายความว่าใช้ถ้ามีคนเข้ามาล้วก็ไปซื้อ ครั้งนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมพอกจาบ้านในเมืองก็ไม่เห็นจะมืออะไรติดมือมาได้เพราะแกอยู่ป่าก็ถือรวงเพึ่งมาหนึ่งรวงไล่ตัวพึ่งออกให้หนีไปหมดแล้วจึงตัดกิ่งไม้แล้วก็ถือรวงพึ่งนั้นมารอมทั้งไม่คอนเสร็ จ, จรึ็เข้ามาสู่เมืองด้วยคิดตั้งใจว่าเราจะไปให้กับเพื่ของเราในเมือง ส่วนดับคนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองเห็นอีตาคนนี้แกถือรวงพึ่งมาเป็นคนบรร น, นอกยิงถามว่าท่านผู้เจริญนําพึ่งนั้นท่านขายไหมนายคนบรรโอกคนนั้นบอกว่านาพึ่งฉันไม่ขายจ้ะฉันจะไปให้เพื่อนของฉันก็น่าร้ายเหล่านั้นก็บอกว่านี่ท่านผูเจริญท่านรับเอาก็หาปณะเท่านี้ คือว่าท่านขายน้ำพึ่งให้เราเราจะให้สี่บาทคื่อสี่กนึังจำลึงคนวันนอกก็คิดว่าไอ้รวงพึ่งนี้ราคามันไม่ถึงบาทแต่ว่าเจ้านี้จะให้สตางค์ทังสี่บาทน่ากลัวเจ้าคนนี้มันจะสติไม่ดีให้มากเกินไปเรายังไม่ให้ต้องขึ้นราคาก่อนนี่จกก็ไม่นักถ่วโอกาสเหมือนกัน จะยิ่งกล่าวว่าเราไม่ให้นเราให้ไม่ได้ไอ้ราคาหนึ่งตำลึงนี่นะ้ําพึ่งโรงนี้ไม่ได้มันราคาแพงพวกนั้นก็ขึ้นราคาไปสองตำลึงสามตำลึงสี่ตำลึงก็ว่ากันด่าไปผลที่สุดก็ขึ้นราคาถึงพันตำลึงสําหรับท่านบุรุษพวกนั้นจริงคิดว่าเอเจ้าคนพวกนี้นี่น่ากลัวสติของมันจะไม่ดีนี่ ก็ไอ้น้ำผึ่งรวงเดียวนี่มันราคาไม่ถึงบาทมันดันให้ตั้งพันแล้วก็บอกด้วยว่าฉันมีอยู่แค่พันตำลึงเท่า น, นั้นนะหมดขอท่านจงให้น้ำพึ่งนี้กัเราแล้วได้ว่าบุรุษพูดมาจากป่าแต่ก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่านี่มันต้องมีเรื่องอะไรพิเศษสักเรื่องหนึ่งจึงไม่ถามว่าผู้จเจริญเข้าไปเจ้ารู้ ก็กรรมที่ข้าพเจ้าจะทําน้ําพึ่งนั้นมีอยู่เพราะเหตุใดท่านจึงมาขึ้นราคาอย่างนี้พวกนั้นบอกว่าน้ําพึ่งท่านจะไปทําอะไรตัร้งบอกว่าฉันจะไปให้เพื่อนของฉันน่ะคือฉันเป็นคนอยู่ป่ามาคราวหนึ่งไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของป่ามันก็ไม่ดีพวกนั้นก็บอกว่าฉันเอเนี่มีความจําเป็นในเรื่องน้ําพึ่งนะน้ําพึ่งดิบ อย่างอื่นมีครับไอ้ให้ราคาตั้งพันตําลึงในความจริงฉันรู้ว่าน้ําพึ่งราคามันไม่ถึงบาทแต่ด้วยความจําเป็นจริงให้นี่คนมันน่ยินถามว่านี่แล้วก็มันโทรลอะไรเรื่องอะไรจริงได้ให้จะได้ราคาแพงบอกเราที่อยากจะรู้ถ้าควรจะให้ก็ให้สําหรับบรรดาคนคนนั้นก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าเตรียมการทานถวายทานเป็นการใหญ่ เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภ น, นามว่าพระพุทธสีทศกคณผู้มีสมณะคือพระรวมกันในกันทั้งหมดพ้ะที่เป็นบริวารหกล้านแปดแสนองค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งในมหาไทายครั้งนี้อะไรอะไรของเราก็มีหมดมันไม่มีอย่างเดียวน้ำพึ่งดบิตเท่านั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อรวงพืชของท่านในราคาแพงเพราะว่าต้องการจะเอาบุญพระทานคราวนี้มีความประสงค์ว่าจะให้มันมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรในทานนั้นไม่มีเราไม่ต้องการให้มันครบจรึงยินยอมซื้อแพงๆในะขอให้ขายเถอะคนบนนอกใจก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนข้าพเจ้าก็จะไม่ให้ด้ราคา เรื่องการซื้อนี่ไม่ยอมขายแต่ว่าท่านนัหลายจะยอมให้เราร่วมบุญร่วกุศลด้วยจะให้บรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าบรรดาคนพวกนั้นจึงได้ส่งข่าวไปหาหัวหน้าในเมืองบอกว่าเวลานี้เจอคนนำน้ำพึ่งดิบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมขายแต่ว่าให้เขาร่วมบุญด้วยแล้วก็เขาจะเอา เมื่อชาวเมืองทราบที่ศรัทธาของเขามีจึงได้ยกมือกระสาทุอดีแล้วดีแล้วปกครองนยมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเถิดไอเรื่องบุญนั้นไม่หวงที่ต้องการน้ำพึ้งที่ต้อซื้อก็เกรงว่าจะไม่ยอมทำบุญด้วยนี้ก็จึงกล่าวว่าขอเขาจะไม่ฟู้นมีส่วนได้บุญมาร่วมบุญกัน บรรดาผู้ชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้น้ําผึ้งแล้วก็นิมนต์พระบีสุโสมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มาเสวยพระตาหาตันจะไหว้ข้าต้มถวายของเคี่ยวให้แกคนนําถาดทองคำทีนี้ก็บอกให้คนนําถาดทองคําใบใหญ่มาแล้วแล้วก็บีบลงผึ้งลงไปแล้วเอาน้ํามันออกไม้กระ แม้กระบอกนสมส้มอันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนํามาเพื่อต้องการจะเป็นของกํานันมีอยู่เขาก็เทนสมส้มเหล่านั้นลงไปในถาดของคําเคล้ากับน้ําพึ่งนั้นได้ถวายกับบรรดาวิสุทธสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไ <c oughs> ด้ถวายกั บ, บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกน้าพึ่งนั้นก็จึงทั่ถึงกับบรรดาวิโสทุกรลก นี่จะลืมไงว่ามีพระมีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระพุองค์พระสงฆ์ถึงหกล้านแปดแสนองค์น้ำพุ่งรวงเดียวก็นมส้มหน่อยหนึ่งที่เขาผาสมกันพอดีตลดีขึ้นเหลือจะพลาสซะอีกเึงนกล่าวว่าผู้รับเอาจนพอต้องการหมายความวันดาพระสงฆ์ทั้งหลายนี่พอหมดแล้วก็ยังแถมเหลือเสียดีซ้ําตอนนี้พระบาลีเป็นกล่าวว่าใครใคก็คิดไม่ได้ว่า น้ำมึ้งน้อยอย่างนั้นเจี๊ยเพียงพอกบิสุถึงหกล้านแปดแสนได้ยังไง <c oughs> นั่นนึงกล่าวต่อไปตามตรรว่าจริงอยู่น้ำพึ้งนั้นถึงแม้จะได้โดยอนุภาพน้ำพึ้งนั้นเมีมีมากขึนมาโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าและนั่นกล่าวต่อไปว่าขึ้นชื่อพุทธวิสัยใครใครก็ไม่ควรคิดท่านบอกว่าจริงอยู่เหตุสีอย่างอันบุคคล อันนี้ถ้าว่าเหตุสีอย่างทีุ่มเอ็ดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ใครๆไม่ควรจะคิดใครๆเมื่อคิดนิงเหตุเหล่านั้นเข้าก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนในความเป็นคนบ้าเอาเละสิท <c oughs> ่านบอกว่าสิ่งที่เป็นอาชินตายไม่ควรคิดแต่คิดแล้วก็บ้าบเปล่าๆไม่รู้เรื่องรูเราวเหตุสีอย่างที่ไม่คนคิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวคือหนึ่ง พุทธวิสัยวิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในเราคิดไม่ได้เขืน ค, คิดอยากจะรู้เท่าทันพุทธเจา้าเราก็บ้านะเพราะว่าเรารู้ไม่ได้สองฌานวิสัยวิสัยของบุคคลผู้ทรงฌานถ้าเราไม่สามารถจะได้ฌานสมาบัติเราจะไม่รู้จะไปคิดเรื่องฌานสมาบัติ ยิ่งคนสมัยปัจจุบันย่อมย่อมย่อ ม, ย อ, ม, ย อ, มอยากแะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานบ้างเรื่องวิสัยของพระอรหันต์บ้างแต่ความจริงแค่ชานโลกีเท่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่ควรจะคิดคิดเท่าไรมันก็ผิดโดยการดีสามสมบัติกรรมวิสัยคือกฎของกรรมเรื่องกฎของกรรมนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคิดมันคิดไม่ออกหรอก นอกจากที่ว่าเราจะได้พิญญ า, าวิชาสามวิญญาหกและก็เป็นพระอริยเจ้าขันอาหาันจริงจะพอคิดในเรื่องกรรมได้ถ้ายังไม่ถึงก็อยไปคิดมันคิดแลก็มันก็จบลงไม่ได้แล้วก็ขอ้อที่สีโล ก, กจินไตเรื่องของโลก เ, เรื่องของโลกเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะไปจบลงตรงไหนเนี่ยอไปคิดมันไม่มีทางจบคือโลกหาที่สุดไม่ได้ จำไว้ดีว่าริเหตุีอย่างที่พุทธเจ้าบอกไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าปเปล่านั่นก็คือหนึ่งพุทธวิสัยสชานวิสัยสามกรรมวิสัยสี่โล ก, กจินไตวันนี้หน้าครัวไม่จบสีแล้วสำหรับบุรุษนั้นมาทำทานประมาณเท่านั้นแล้วทั้งกล่าวในการเป็นที่สุดแห่งอายุก็บังเกิดในเทวโลกเป็นเทวดา ท้องเที่ยวไปสิ้นกับมีประมาณเท่านี้คือเก้าสิบเอ็กับนี่เป็นทรวรนดาเกกะเกิดยุเ ก, กา้าสิบเอกลับในสมัยหนึ่งจุดติจากเทวโลกแล้วก็มาวังเกิดในในกรุงพาราณสีโดยการที่พระมหาชนกที่วงคตแล้วก็มาเกิดเป็นลูกขมราชาในตระกลูลพาราณสีเมื่อพระราชินดาตาย ที่บ่งคตในี่ยเขาว่ า, าตายสวรรคตยิงไม่เสวยราชสมบัติแทนพระราชวิดามาในครั้งหนึ่งท่าวเธอคิดว่าเราจะยึดอภรรคร น, นครหนึ่งซึ่งมีกําลังน้อยกว่าให้ได้จึงได้สเสด็จไปแล้วก็ล้อมพระนคร น, นันไว้แล้วก็ส่งสารให้ชาวเมืองว่าท่านจะให้ราชสมบัติคือสมบัติเก่เราหรือจะให้เราลบ บรรดาชาวเมืองท่านหลายเหล่านั้นตอบว่าเราจะไม่ให้เชื้อสมบัติแล้วก็เราจะไม่ให้ทั้งการรบเราจะปิดประตูเมืองไม่ทั้งข่าว <c oughs> นั่นี้ก็ออกไปแต่ว่าพระราชาองค์นั้นก็ล้อมไว้แล้วก็ปิดประตูเมืองใหญ่แต่ว่าชาวเมืองก็อาศัยประตูเล็กออกไปหาปืนหาน้ามาทางทางประตูเล็กทำธุ ร, รกิจธุรกิจทุกอย่าง นี่การล้อมขพระราชาจึงไม่มีผลต่อมาพอเมื่อพระราชารักษานางพระราชาปิดประตูเมืองสี่ประตูเมืองของเขาล้อมไห้เขาออกไว้ซึ่งเวลาเจ็ดปียิ่งด้วยเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันล้อมนาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันต้องการยังคนในเมืองเขาตายยั่ยอมแพ้เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาออกทาประตูเล็กมาหากินกันได้ ในการต่อมาพระราชนนีคือมารดาราชานั้นตัดถามมัรดาอเมัยข้าราปุริพานว่านี่ลูกชายของเราเขาทาอะไรพระรามันดามาท่างหลายกล่าวทูลว่าเป็นล้อมเมืองไว้พระเจ้าค่าล้อมประตูใหญ่หมดท่านจึงตัดว่าบวชโถเอ้ยไอ้ลูกชายของฉันนี่มันไม่น่าจะโง่ยอย่างนี้เลย ก็ไปล้อมประตูใหญ่แล้วก็ไม่ล้อมประตูเล็กคนเขาออกมาหากินได้จ้จงล้อมประตูเล็กเล็กเสียประตูช่องเล็กเล็กเลยปิดมันไว้เสียแล้วชาวเมืองออกมาไม่ได้ไปเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้พระมหากษัตริย์นเรส่งข่าวกับพระราชาท้าวเธอก็ท่งสดับคำของพระราชนิยแล้วก็มีคําสั่งให้ปิดประตูเล็กคือกันคนออกทางด้านประตูเล็กเสียอีก ฝ่ายชาวเมืองเมื่อออกไปหาจินภัยนอกไม่ได้ก็เริ่มอดอดแล้วไม่รู้จะทำยังไงในวันที่เจ็ดจึงพากันปรงพระชนาราชาของตนเสียและก็ได้เปิดประตูเมืองรับราชาองค์นั้นถาวายได้จะสมบัิแก่พระองค์เท้าเธอทรงทำกรรมแบบนี้ในการเป็นที่สุดแหงอายุ หมาความเวลาที่ตายแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกไม่อยู่แล้วในเวจีมหานรกนั้นตราเท่ามหาปฐพีคือผืนแผ่นดินนี้หนาขึ้นได้ประมาณหนึ่งโยชนี่โทษที่การล้อมเมืองเขาทําให้เขาฆ่าพระราชาของเขาลงนรกอาเวจีด้วยแล้วให้แผ่นดินหนาหนึ่งโยชน์ไม่รู้เวลาเท่าไหร่ การจุดติจากอัตภาพคือพ้นจากนรกนันแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องของมารดา น, นั่นแหละหมายความมารดานในสมัยนั้นก็มาเป็นแม่สมัยนี้เข้าไปอยู่ในท้องแม่เป้นจิตเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันแม่ต้องถูกทรมานด้วยก็เพราะอาศัยที่ให้คำแนะนำกับลกูกแต่ว่าเอินแม่มาได้ตกนรกด้วยจะนด้คลอด พราะที่โทษที่แม่ต้องรับโทษโดยก็เพระว่าสั่งให้ปิดประตูเล็กสีป่ปรตูนี่เป็นกรรมของพระศเวะลีที่ต้องตกมรรคแล้วก็อยู่ในท้องบ่อตองแม่อง์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จ, จึงตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายพระศิวะลีไม่แล้วในรกสิ่งการนานประมาณเท่านี้เพราะกรรมที่เธอล้อมบันดาคอและยึดเอาไว้ในการนั้น แล้วก็ถือปริสนที่ในท้องขุมมารดา น, นั่นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นการประมาณเท่านั้นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็เพราะว่าความที่เธอปิดประตูเล็กทั้งสี่เป็นผู้ถึงแล้วต่อมาเป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาบมากแล้วก็มียศเลยก็เพราะว่าการที่เธอทั้งหลายที่เธอถวายน้ำพึ่งด้วยการดังนี้ จำไม่ดีนะเวลาที่วินิจฉัยไม่มีเพราะเวลาจะหมดว่ากฎข้องกรรเขบาบอกสีาลีนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟังแล้วก็จำแล้วก็คลิกไว้ได้วยนะอย่าไปฟังส่งเด็ในวันรุ่งขึ้นบรรดาพิสุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สมณเณร้นเดียวทำเรือนห้าร้อยหลังเพื่อพิสุห้าร้อยรูปมีลาบมีบญหน้าชมจริง องสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาแล้วถามว่าพิสุท์ทั้งหลายบัดนี้เธอรนั่งประชุมกันด้เรื่องอะไรเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นพิสุทั้งหลายเหล่านั้นรับผู้คาที่นี้แลจึงแต่ดูว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายบุคคลเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าบุญบาทั้งสองเธละเสร็จแล้วจัดตัตตาทีศาสนาว่าบุคคลใดในโลกนี้พ้นเครื่องข้องตั้งสองอย่าง เอวุณระบาตเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่โศกราชจากกิเลสเสียงดังธุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามวันนี้ก็เขาจะเล่ากันอย่างรีบรีบท่นี้เพราะว่าเวลามันหมดเป็นอันว่าท่านหลายผู้ฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างฟังแล้วก็จงจำจาไม่ด้วยว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีเนี่ย ท่านมีลาบมากมีรถยิงมียศ ย, ยิงใหญ่มากการที่มีลาบก็าก็สวายลรวมพึ่งแต่ว่าต้องลงนงรกกับพระตาัสที่ไปผิดล้อมเมืองเขาไว้แล้วมารดาพวกบนเป็นต้นคิดก็มีประจัยร่วมเช่นเดียวกันเอาไะสำหรับการรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อจานี้ไปก็โปรดคอยรับฟังการแนะนำเรื่องมหาปฏิปทานนนสูตต่อไปแต่วก็เวลาเดี๋ยวเสียงกริ่งมันมา